อาศัยหลักธถามมาสอนมันไม่ทันไม่ถึงใจาการโต้ตอบอะไรก็ดี ป, ปัญหาในแง่ต่างๆเราจะไปหาปคําตอบที่ไหนในคัมภีร์ทนไมมีไว้ทุกอย่างทุกมุมพอเราจะไปหามาตอบให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขนาะนั้นแต่เราเรียนทำภายในจิตใจเลยทีเ่เรียนให้มันรู้ถึงเหียดถึงผลภายในจิตใจทั้งโลกและธรรมกระจ่างกันทั้งสองด้านแล้วเอาสิ จิตจะคล้องที่ไหนผัดที่ไหนเมื่อจิตไม่ติดตัวเองก็เท่านั้นแหละมันไม่ติดอยาอื่นสำคัญที่มาติดตัวเองมาหลงตัวเองมันด้วยไปไหนไม่รอดท่านจะหดเลีงเยงตัวเองพระพุทธเจ้าสอนว่าจะแฝ่จะแทงแหละมันเล็กเง้นเจ้าขาลงมานะาขาต่างๆจะโจมันความจริงจะแฝนี่แหละ เริ่มแรกกุดทำ ง, งานขึ้นกระจายไปทั่วโลกทั้งสายให้รู้แจ้งแทงตลอดไปโอเคขาเรามานะคะซาต า, า, าโดเน่งจะแจ้งไปทั่วแต่ห น, าา น, น, านา้าตาหน้าตาก็ออกจากนี้แล้วก่อนมันกระจายไปออกจากนี้กระจายไปทั่วโลกโลกวิถูไม่เจอกับสิ่งโลกทั้งสาคืออันนี้ท่านไหนอันนั้นก็ขั้นนั้นไม่ต้องไปเทีย่ยวดูเที่ยวถามใครเห็นอันนี้เัลเ่ยนภายในตัวเพราะมันเหมือนกันในโลกนี้อันนี้จังทุกขังนธ์ตาเมรู้นี่ทับแล้วแตกกระไปหมดรู้ไปหมดเนี่ยจะว่าไง ในจิตไม่มีอัดไม่มีอั้นไม่มีติดข้องตัวเองไม่มีอะไรมาปกคลุมมุ่งห่อมันดีตัวได้อย่างคล่องแคล่วเนะพูดถึงเรื่องอัดเรื่องทำมันก็แสดงวุดธพุทธพุ่างท่นี่เรียนธรรมพระพุทธเจ้าเรียนอย่างนี้นะที่มาเอาธรรมมาสอนโลกแปดหมู่ทำาขันสี่พันประทมขันซึ่งนับเพียงพอประมาณเท่านั้นก็ออกจากพระไตรเนี่ยท่ามาศึกษาศึกษาที่ไหนมาเลยแต่ก็ทำแล้วเรืียงโลกพันศึกษา แต่เรื่องธรรมแล้วพรองค์เป็นสื่อย้ำครูของนู่นเอนี่เองด้วยการปฏิบัติให้ถึงความจริงโดยพระองค์เองถึงความจริงรู้ความจริงแล้วสอนคนสอนสัารโลกทําไมจะไม่จริงผูู้ที่หาของจริงอยู่แล้วทําไมจะไม่ยอมรับฮนะของจริงมีอยู่นี่นี่สาวกออกมาจากพุทธต่างๆพระท า, ารนพระราชาเสด็จผีกระดุมผีชาวนาคนยากจนสนใจเข้าไปแล้วเป็นศักดะ์บุตรทั้งหมดอืม ไทยยังนา่าจะน้อยขนาดไหนพกไม่เห็นว่า น, น, นะทั้งโลกมาเถิดเจหิทิภูมประสังประาเเถิดจงเป็นทุติยมเถิด ท, ทำดนานเรากาดีแล้วพทําเราก่าดีแล้วจงพุทตนเอความเชนสุดแห่งทุกเอิดอถ้าผู้ที่ยังไม่ได้เช้นสุดแห่งทุกผู้ที่สิ้นสุดแล้วมาบวชทีหลังนี่ไม่ไม่ทรงรับตั ง, งนั้นประธานว่าตีดาเด่นนท่ติยมเอิดทาเรากาดีแล้วเท่านั้นอ นี่คือทั้งเด็กแล้วมาบวชก็มี น, นีจบเป็นสนนอยนักสาวกเหล่านี้ท่านไปรเรียนที่ไหนมาทำานตัสอนโลกนี่แน่นยนะํนานะสร้าังกระสะาสามีสน้างนังกระสามีเราถือทุกวันนี้ถ้าท่านไม่เก่งไม่เลิกทั้งด้านจิตใจไม่เลิกทัการส่งอารมณ์ส่งสอนจะสราังกระสามีได้ถ้ไม่ถึงใจโลกพอที่จะสร้านังกระ ส, ะะสนานะสะมีได้หเหลี่ยนกันมาจนมีคำภีแตก คนไหนบ้างพอดี่จเป็นท่านนางกษานี้ให้เราเขากราบไหว้เลยสนิทใจมันไม่มีนี่นะนั่นเอาแต่ความจำมาอวดน้ำลายกันนิสัยความจำมันจะเหมือนความจริงหนึ่งความจริงรู้จริงเห็นจริงพะทําจริงปฏิบัติจริงรู้จริงเห็นจริงพูดได้จริงๆตามหลักความธรรมชาติที่มันเป็นจริงแล้วใครจะค้านได้ค้านไม่ได้เห็นมันต่างกันที่ตรงนี้พอาได้ให้เรีอนนั่นถึงของจริงของจริงสมัยทั้งกุฎกาทั้งกุฎกากับของจริง ทั้งนี้เหมือนกันทุกขังอริยสัจจังเข้าคงเส้นคงวาธุภูติอริยสัจจังก็คงเส้นคงวาเนื้อเนื้ออนื้ออดอริยจจังก็คงเส้นคงวามรตพระปฏิปทาอริยสัจจังก็คงเส้นคงวาเอเดินที่ไม่มีอะไรบกต้องเลยธรรมของพระเจ้ามันบกพร่องอที่ตัวของเราเท่านั้นแหละครับพิชตัวของเราขึ้นให้มันมีความสมบูรณ์สติฝึกแล้วนอนใจอย่าเฉยเฉยจะเห็นอะไรดียิ่งปว่าเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้า ในขนาเดียวกันจาเห็นอันรดียิ่งกว่าการตั้งสติตั้งมันทั้งวันทั้งคืนสติตั้งได้เป็นของตั้งได้เป็นของบำรุงถ้ามีความสืบต่อพันโดยลําดับจะมีกําลังแข็งกล้าสามารถได้ปัญญาก็เหมือนกันที่เริฝึกเริ่มต้นหัดเรล่มลดผูกการเพราะไม่เคยพิจารณาแยกแยอะไรมันก็ไม่เข้าใจที่เดียเหมืองงนเราจับเอาเสียมไปฝุด ภูเขาทั้งโลกนี่ปรากดจะเป็นอย่างนั้นอะคือปรากฏเป็นอย่างนั้นอะคือเออเกิดความเข้าใจพิจารณาเลยไงจิตใจเราก็มืดตื้อที่เหลืปัญหาก็อหนหนานี่นมันจะประสไปฟังหรือไปพิจารณากันรู้ได้ยังไงนี่เวลามันไม่มีกําลังก็คือปัญญายังไม่มีมันเป็นอย่างนั้นความรู้สึกของเราเพอพยายามเข้าไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยถ้าปัญญามันก็ค่อยแสดงกําลังตัวออกมาให้เห็น โดยลำดับลาดับที่มีความกล้าหาญจะมีขึ้นผลที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาก็กระจัดเรื่อยๆเรื่อยๆไปที่สติปัญญาเขายิ่งเด่นเด่นเรื่อยๆนั่นการฝึกเนอย่างนั้นขอให้มีความขยันหมั่นเพียร น, นักบวชต้องเป็นนักอดทนไม่งั้นสอนโลกไม่ได้ถ้าสอนตนไม่ได้คนไม่มีความอดความทนคนไม่มีความมุสาพ ย, ยายามมีความภาเพคภูมิจนคนขี้เกียจสอนตนเองก็ไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปสอนคนอื่นหาหลักเป็นไม่ไเลยเพราะฉะนั้นหลักสำคัญที่สุด ทำรัาทีิเรศออกจากสิวใจต้องอาศัยความภาคภูมนมีสติปัญญาเป็นหลักสำคัญเป็นเครื่องมือที่ทำสมัย <c oughs> ประมวลลงมาในธรรมในโลกนี้ไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรมเราแน่ใจต้นหาที่แย้งไม่ได้ในหัวใจเราไปในไ <c oughs> ม้มถึงไม้ปัจจุบันนี้ทุกวันเวลานี้เุกกรกรมก็มันกะเป็นอย่างซึ่งเคยเล่าให้เพื่อนฟังแล้วเกิดความต้ใจ ในศาสนาสนใจเกิดความเริ่มใสพระกรรมฐ า, านก็เริ่มใสมากต้องแตเริ่มต้นออกบวชเราะนพระกรรมฐ า, านมาพักอยู่ที่วัดเราต้องไปถึงก่อนเพื่อนศึกษาประรลมกทัท่านท่านพูดท่ฟังมันจับใจจิตใจมันชับคนคิ่ได้ออกมาฐานาเรียนเส็จแล้วก็ออกในงขั้นเริ่มแรก่าน หนังสือธรรมะธรรมโมเฉพาะอย่างยี้ประวัติของพระพุทธเจ้า พ, พุทธประวัติมันเกิดคาซึ่งจนถึงําน้ำตาล ร, ร่วงเรียกเกิดความตสงสา ร, รเร้าลงด้วยเกิดความอาทรจันร์ในผลพระบองที่ทรงได้รับด้วยแล้วจิตมันก็มีความก็ะยินอ่อานประวัติของสาวกอ ง, ง น, นั้นๆที่ออกมาจากคุณลังๆมาแล้วมาเป็นแบบเดียวกันอ้าวไม่ได้คํานึงซึ่งพระโอษฐจากขัดแทนอะไรทั้งนั้น มุ่งจะอาบแต่ทำเพื่อความพ้นทุกข์เดือแต่เยอะองค์ไหนออกมาจากระกุลใดสกุลศรสนาชามหาศาสนาเศรษฐีกระดุมทีขนาดไหนไม่เอาเรื่องสกุลมาเกี่ยวข้องเลยเอาต้องจะหน้าที่ของพระเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนได้บรรลุธรรมเมือ่อบรรลุธรรมแล้วสอนใครได้แต่ฐานและพายในหัวใจไม่มีอะไรมาติดมาบางัง กระชากถามเาสิว่าพูดได้ตามความสะดวกออกมาจากใจที่เปิดเผยอยู่แล้วโดวยปกติเราพยายามสุดั้ที่แรกมันก็ล้องลูกทุกการเหมือนกันนะเริ่มแรกจริงๆเป็นเราบวชเราอยู่วัดลึกท้ายนิดนึดนนงกว้างนี่กรมทหารนี่แต่เราเริ่มสายทางภาวนาทิ้งเลยมาถามยืนถามทาัางคระครูว่าข้าวหน้าจะทาําไงก็ผมมีความสัญญใจอยากจะภาวนาด้วย ตอนสอนก็เอาพุทโธนะผมก็ภาวนาุทโธเาว่าเอาพุทโธเนี่ยเจะหลัจะนอนเราแวเวลาหนึ่งชั่วโมงหยุดยัหนังสือหนึ่งชั่วโมงนั่นทาภาวนาแต่นั้นเป็นประจำไม่เคยลนละภาวนาพุทโธพุทโธทไปก็ไม่เคยสงดหลายครั้งแล้วคนทั้งกนี่คี่เอาพุทโธพุทโธรก็จิมันแน่ของแน่วค จิตที่มันค่อยแน่ๆมันลงไปโดยลาดับมันเป็นจิตแห่งความสนใจเหมือนกันนะทําให้เกิดความสนใจสติก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วจิตก็ลงถึงที่กึกโอ้โหพอจิตลงถึงที่เฮ้ยทําไมจึงไปตื่นเต้นอจิตจจรู้สึกมีความตื่นเต้นพูดไม่ถูกเป็นเรื่องอัศจรรย์เราคงอันนั้นลักความตื่นเต้นพอเข้าใจว่าความตื่นเต้นเนี่ยไปรบกวนจิตที่สงบ น, น ะ, ะมันถอนตัวไปมาแล้วบลงไปไม่นานนะ แต่พอจับได้ชัดเจนถึงเรื่องอหลักฐานของจิตที่วัดสงบลงไปแล้วเป็นอย่างไรซึ่งเราไม่เคยเป็นเลยมาเป็นอยู่ที่วัดอยู่ทำกระลลงไปกระ ล, ไ ป, ะลไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหายเงียบไปเลยจิตก็หยุดตึกเลยโยงถึงที่หาดออกกระจากทุกสิ่งทุกอย่างนี่เด่นอยู่ตรงจิตซึ่งเป็นของอาจารย์อย่างนีง้นั่นแหละมันเกิดความตื่นเต้นดีใจอะไรก็แล้วแต่จะพูด เราเคยเห็นอย่างนั้นไม่นานเขาคงจะเป็นเพราะความตื่นเต้นไปขย่าบางทีหรือคิดได้ตอนออกมาพยายามทำาะไรมันก็ไม่ได้จริงหูเสียใจทำไม่ได้จะเอาม่อยู่ทุกวันนั่นแหละความจริกระคิดไปคาดผลที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันลืมภาวนาซึ่เป็นหลักปัจจุบันอันจะยังผลให้เกิดนี่เสียมันประยุกตกับเรื่องอดีตอารมณ์อดีตนั่นแหะมันได้เต็มที่อจังๆจังๆไป เขปล่อยเรื่องอารมณ์อดีตมาเขาน่ะเป็นอีกเขาเป็นแล้วก็คิดก็เป็นบ้าอี่ลขยับเข้าใส่อารมณ์อดีตเอนเดยาให้มันเป็นอย่างนั้นอีกคืนนี้เลยจะให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอยู่นู่นอยู่นลืมเสียร่าาจะออกเนาน่จริงๆเราเป็นถึงสามหนเพราะนั้นอรย์มอยู่ถึงเจ็ดปีนะเป็นเพียงสามหนเท่านั้นเป็นอย่างบ้าเนยลงถึงขนาดที่ว่าอสุจิเต็นที่ลงก เป็นางทีเราขาดหมดเลยอารมณ์อะไรขาดมัดในเวลานั้นมันมีอะไรเหลือเหลือแต่รู้อันเดียวกายก็หายเงียบเลยมันอศัศจรรย์อะไรสนี่ล่ะเป็นเครื่องสังจิตให้มีความสืบต่อที่จะออกปฏิบัติก้าพูดให้หมู่เพื่อนฟังได้ไปที่เปิดเผว่าผมนี่จะเรียนจบแค่รเรียนสามประโยคเท่านั้นส่วนนักทําจะได้แค่ไหนไม่สําคัญสาคัญที่รเรียนนี้ให้ได้สามประโยคแล้วผมจะออกปฏิบัติ แต่เราไม่ได้บอกนะว่าคนของเราที่ใช้ปฏิบัติมาเป็นเครื่องนิ่งเนี่ยนั่งใจหรืยทำติดใจเราเป็นถ่าเป็นเครื่องดืด้อ ด, ด, ดืองเราไม่ได้บอกเพราะเจาะพระโยกสามญาณที่นี่อยู่ไม่ได้คําสัตว์เราตั้งไว้แล้วมาต้องออกเหมือนกับใบไม้มันเหลืองไปหมดถูก ผ, ผู้ใหญ่ทำบังคับไว้ทําให้ไปสิป่งหลายเรองให้ออกอะไรนี่แต่เราไม่ค้านคัน ความจาาริงภายในจิตมันหักไม่รับอย่างไรก็จะต้องออกเท่านั้นถ้าไม่ออกแล้วก็เป็นโมฆะทิกษุคือขาดความสัตย์ความจริงแล้วเกิดประโยชน์อะไรไปเรีอนไปสักร้อยประโยคมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเมื่อฆ่าคํามัตย์ความจรมิงตวัว ใ, ให้คิดหายมันไปแล้วไม่เกิดะโยชนอย่างไรต้องออกไถ่เท่านั้นก็นนเหมือนอย่างเทวนาช่วยนะเนี่ย ตอนอยิงเทือกผมเราอยากบ อ, อกพลเมืองลายจะตายเนี่ยปรากฏว่าสมเด็จทั้หายเรือองค์วัดที่วท่าทั้งออกไปต่างจังหวัดเราได้โอกาสตรงนั้นเราเปิดหนีเลยเนี่ยเออเรายังไม่ลืมนะคําสัตยาธิษฐานของเราที่ตั้งอ่าก่อนตอนคุณมีข้าเราจะออกเดินทางเราเอกอย่างเร็วขนาดนั้นนะเพราะมันถ้าเป็นผลมากก็ได้ว่ามันจะโหล่น อ, อยู่แล้นี่คือจะออกอยู่แล้ว มันเพิ่งจะตั้งสัญญาณฐานขอว่าข้าพเจ้าออกหนึ่งข้าพเจ้าออกได้ด้วยแล้วออกไปแล้วปฏิบัติธรรมถึงธรรมมุ่งหมายที่เราได้ตั้งข้าไว้หนึ่งขอให้นิมิตในทางฝันก็ตา ม, มนิเจอรู้ในทางด้านภาวนาก็ตามให้เป็นของอัศจรรย์แล้วออกความอัศจรรย์นในมินิตจะเป็นคําฝันก็ตามเป็นรู้ในทางภาวนาก็ตามเรายอมรับทั้งสองอย่าง เพราะเาภาวนาทุกวันแล้วไม่ไเคยละเรียนหนังสืออยู่ดีถ้าออกออกได้คือออกจากทางเรียนที่ผู้ใหญ่รังคำไม่ได้แต่ไม่เกิดผลอะไรก็ให้แสดงนี้แบบนั้นแบบออกไ้าจะไม่มีผลให้เห็นไปอย่างนัดๆออกมาได้ด้วยแล้วไม่มีผลอะไรด้วยก็ให้เห็นอย่างชัดๆสามข้อด้วยกันสร้างสัจจะฐานเวลาไหวพระสมนมนุษย์จะว่าเราสร้งสัจจ า, า, า, ามยายาอย่างนี้น แล้วก็นั่งภาวนาเพราะส่วนก็ไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรนอนหรือวัดโบรมีว่านืมเมื่อไรมันก็หกทุ่มไปแล้วนอนประมาณประมาณตีสี่มันฝันเออทิศดาโอ้โหอาจารย์ทําทคกวันนี่คาฝัน่ะเพราะเราลงไปแต่มันฝันตอนส่วนสว่างนี่คือตอนตีสี่ตามไปเ่าเาะ่อนขึ้นอากาศ รอพกพระนครหลวงแต่ไม่ใช่นครหลวงกรุงเทพแล้วนะนครอันไลยแตกอัศจรรย์เหมือนนครเทพเหมือนเทวสถานเรอบรอบพระนครสามรอบพระนครนี่มองสุดสายหูสายตามองลงไปอตึกราม บ, บ้านข้างมันเป็นเหมือนหอปราสาทระดับด้วยทองคําด้วยเพชรด้วยพลอยอะไรเนะี่ยแควพาไปมดจนอัศจรรย์ในทุกวันนี้ น, นนะ โอ้โหเมืองอะไทยมัเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เมืองเ น, นไืได้ปูกก็สร้างกันด้วยวัตถุทางสารเนื้อมนุษย์ทั้งหลายสร้างกันเช่นด้วยด้วยปูนด้วยไม้ด้วยกินเผาอะไรนี่มันไม่มีอย่างนั้นนี่มองลงไปมันมันเป็นทองเหมือนเหมือนเหลืองอล า, ามไปหมดเลยแถวๆอัศาจรรย์ชมเหาะไปเรื่อยชมด้วยเหาะรอบพระนครสามรอบนี้ชมเกิดความอัศาจรรย์จนถึงใจเหมือนกันเทินถึงสามรอบแล้วก็่ิ้นลง พอลงมาถึงที่ก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมามันก็คงจะเริ่มเป็นตี้สามนี่มันฝั 4, นะนี่นะรู้สึกเคลขึ้นมาก็เป็นเตี๊ยส์เวลาเตี๊ยส์พอดีโอ้โหมีความก็ยิบเต็มที่ละยังไงก็สําเร็จตามความมุ่งหมายไม่สงสัยคําฝันนี้เราได้ตั้งเป็นสติญาธิฐานอย่างเต็มที่ลแล้วติดแนว่วแนว่แนที่สุดในขนาดที่ตั้งสติญาธิฐานไม่ได้ก็ก็แวดฟังแทนเลยเราแน่ใจยังไงเราหนเราต้องได้ออก น้อออกแล้วเราจะต้องเราต้องสําเร็จาตามความมุ่งหมายของเราโดยไม่ต้องแต่งพอตื่นเชามาแล้วมันมีความดีใจภูมิใจโอ้ยเย็นได้หมดวันนั้นพอฉันเส็จหน้วก็กลับลาสำเร็จองกเก่าสำเร็จติสดสาในติดโสอ้วนมสาโดนว่ า, อวาเออก็จะไปก็ดีให้ไปช่วยทำอธิปยานที่วัดศิษย์จินดาหน่อยนะหว่านนั้นก้าก็ขาจะว่าจะไปทงัง น, นู้นเนี่ยหว่าเราจะไปทังนู้นต่างหากแต่เราไม่ได้หวังจะช่วย เขาเพื่อท่านเปิดโอกาสก้าวไปไปทางโน้นเลยเออไปได้เพราว่างั้นเราก็เตรียมตัวออกเดินทางในวันนั้นนะเห็นว่ามันโบราณก็ไม่ใช่โบราณทั้งหเลยไปรรม า, ารสตรจกลาดนะไปธรม า, จา ร, ร, รมาจากรักลาดทําพยจกลาดนึภาวนาเป็นเม็ดเป็นหนเพราะตั้งแต่ออกไปตั้งหน้าตั้งตาเอากินเอาจังคราวนี้ล้วจะให้เห็นจิต ที่เราปรากฏสามครั้งนั้นให้ได้ทีเดียวคราวนี้จะไม่มันเป็นอย่างที่เป็นมาแล้วสองปีสามปีถึงปรากฏคนหนึ่งไม่เอาคราวนี้จะเอาถ้ามันอยู่มือทีเดียวออกมาก็เอาจริงเอาจังอย่า ง, างนี้ใส่เราเป็นไงทำไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมีแต่ภาวนาทั้งนั้นเรื่องการเริงงานอะไรไม่ยุ่งมายุ่งไม่ได้ถึงก็เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นปรากฏเด่นปรากฏงื่ง อ, อันนั้น เล่นสองคืน3าคืนรากฏดเล่นอคนามคืนากดต่อแล้วก็รากฏดทุกคืนแน่วแนวแน่สมาธิเก่งมาต้นมาเสื่อมเน่เเล่าให้ฟังมเสื่อมคุณมาพลิกได้อีกตอนไปอยู่ท่านกันทันนนั้นมาก็เร่งใหญ่เร่งตอนจะเป็นนาติาจริงก็ทันสามสิบนี่ยหโะโอ้ยจนเวาบวชมันีพูดถึงเรื่องความน้งหอมทางร่างกายนี่ทันทันสาเก้ายุ่งไปแล้วนั่นะไปถึงทัน ไปเข้าพรษาจิตหนักมากทางทางร่างการนี่หนักมากทางจิตใจมันก็เข้มแข็งอยู่แล้วทางร่างกายหนักมากเพราะว่าเราได้นั่งถึงตลอดลุ่มตลอดลุ่มเนี่ยนั่งแต่และคืนแต่ละคืนนี่อ้โหมันเหมือนตายไปแล้วเพิ่งกลับคืนกลางเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าจิตมันไม่ได้อย่างใจทุกๆุกครั้งไปที่เรานั่งตลอดลุ่มบางคืนหกทุ่มยังลงกันไม่ได้นั่นแหละคือมันบอกท่ามาก ทนทางด้านปัญญานี่คือแบบปัญญาอบรมสมาธิเราได้จากการพิจารณาขา้างหลังนี่เมื่อสติปัญญามันทันกับเหตุการณ์ต่างๆเช่นทุกขเวทนาเป็นต้นแล้วจิต ม, มันทุกเวทนาก็ดับเพิ่ลงไม่มีอะไรอยู่ล้วเลยแม้ร่างกายที่นั่งโดดือกข์หายเงียบไปจากความรู้สึกเหลือแต่ความรู้ล้วนๆทีนเป็นของอัศจรรย์นี่ได้จากความเด็ดเดี่ยวอาหารได้จากความตรงต่อทุกเวทนามันอตีต้อนเราเหมือนกับว่าเรา แหลกกันถื้อผมเลยแต่ถ้าติดปัญญาก็หมุกเบิกออกมันได้นี่เราจึงกล้าพูดว่าคนเราน่ะไม่ใช่จะโง่หรื่เล่าเวลาเมื่อถึงขั้นจนกอรอกแล้วมันหาทางออกได้ทลายได้เหรอเราก็เห็นเรื่องของเราที่เคยเป็น <S <S อ, อย่างในต้งถึงญญมันเข้าพรรษาเล่นใหญ่แล้วความเสี่ยงเล่พนพระจีงไม่เสี่ยงแล้วต้องเดินเมษามาแล้วไม่เสี่ยนกระทั่งถึงเข้าพรรานมันนั่งตลอดรุ่งมันไม่ทราบผิดเพื่ อ, อนั้นเอาใหญ่จริงเลย เพราะเหมือนกับผูกอาการนะอาการเป็นความเสื่อมของจิตเนี่ยคราวนี้จะเสื่อมไปไม่ได้เสื่อมคราวนี้ให้ตายเสียเลย mm. อเอาสู้กันขนาดนั้นเดียวไอ้เรื่องจะถอยนี่ไม่มีถ้าจิตนี้จะเสื่อมก็ให้ตายเอาตายแค่นั้นหละว่ากัน mm. มันก็คฟาดกันอย่างหนักเวลานั่งตลองเรือี้โอ้โห mm. ทุกเวทนาถ้าวันไหนมันลงได้ง่ายเช็นนี้ น, นั่งประมาณสามสี่ชั่วโมงมันลงได้นี่มันก็ไม่ไมบอกท่ำนะร่างกางเรานั่งเวลาเท่ากันก็ตามสาคัญที่สุด ถ้าวันไหนจิตพิจารณายากลำบากวันนั้นสุขภาพของเราโทรมมากทีเดียวทุกโทรมากแต่ปวดมากวันไหนพิจารณาได้อย่างใจพอกําหนดปั๊ได้ความได้ความพิจารณาไปปั๊บป๊ได้ความเดี๋ยวกับพุ่งลงเลยพอถานขึ้นมากําหนดพิจารณาอีกได้ความอีกได้เรื่อยก็จะตลอดลุ่มมันรวมขึ้นสามผลถอนมาขึ้นสามผลตลอดลุ่งพอดี มันเช่นนั้นรู้ออกจากที่ไปได้อย่างสบายเหมือนกับเราไม่ได้นั่งตลอดดุ่มถ้าวันไหนจิตดีอยนั้นหากิจไม่ดีนั่นสิคือปัญญาไม่ทันกันกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหะมันรู้สึกว่าทุกข์มากที่สุดพรรษาดนั้นพอเราบวชมานี้เกี่ยวกับเรื่องร่างกายเป็นพรรษาเป็นพรรษาเก้าพรรษาสิเอาพรรษาเก้าออกไปแล้วเป็นเดือนเมษาของพรรษาเก้าที่ลงไปแล้วฉะนั้นเราเร่งใหญ่ไม่ทั้งออกพรรษา จากนั้ น, นเราก็ม่เคยนั่งตลอดรุ่งเลยมีเป็นกวามลำบากทีนี่จิตก็เป็นสมาธิได้แน่แล้วแน่ตั้งแต่ตั้งแต่นั่งสมาธิตลอดรุ่งด้านนั้นแน่แน่ขนาดที่ว่าเออต้องอย่างนี้ที่นี่ไม่เสื่อมนั่นรู้นะรู้ในจิตนะมันเหมือนกับมันขึ้นพักเป็นพักนั่นมันปับ๊บตกาะติดกันปับ๊บไม่ตกคุณง่ายบอกไม่เสื่อมมันแน่ก็ไม่เสื่อมจริงๆ เหมืนปีนขึ้นไปข้างหน้าปีนขึ้นไปสูงขึ้นไปมันก็ปีนตกปีนตกเพราะมันยังไม่ได้จังหวะมันไม่ได้ที่ของมันมันไังไม่ทำนานปีนขึ้นไปตกมาปีนขึ้นไปตกมาพอปีนี้เราเป็นที่ติดครับปับ๊บสิไม่เสื่อ เ, stem, เนี่ยมันรู้เป็นชัดแล้วเป็นขัข้นๆของมันแต่คคแตตตใครจะม า, าข้าวนไม่ได้นะคุยตามเร่องความจริงของไทรของเราจะมมาข้าวลี่มาอย่างนั้นก็จินมันจะเป็นสมาธิแน่วออากําหนดเมื่อไรเป็นสมาธิตลอดเวลาอยู่แล้วนี่จว่าไยืนเดินนั่งนอนมันเป็นสมาธิอยู่ตลอดจิต สร้างฐางนได้อย่างมั่นคงเหมือนกับหินทั้งภูเขาทั้งโลกในจิตแน่นตึงเทียงแต่มันไม่ออกทางปัญญามันติกสมาตัวนีเสียฉันได้ค้นทางด้านปัญญาเมื่อได้รับการดุจดาร่ากายจับทำไมคือการมั่นคงได้ที่นี่นออกพิจารณาเมื่อออกพิจารณาคนความก็เขมาที่มันพร้อมอยู่แล้วที่จะเป็นอุ ป, ปกรณ์ที่เป็นเครื่องสนับสนุนแต่ปัญญา ม, มันไม่ทํางานเฉยเพราะนั้นมันจริง เป็นปัญญาให้ไม่ได้นี่เราก็แน่ใจว่าสมาธิจะเป็นขนาดไหนก็ตามเธอถ้าลงไม่ได้ใช้ปัญญาเอาคิดแล้วสมาธิจะทําปัญญาให้เกิดขึ้นไดเองนี่ไม่มีทางว่างนี่เลยเราเชื่อเพรา ะ, ะเราติดสมาธิมาตั้งห้าปีหกปีพอออกพิจารณาเท่านั้นมันก็คล่องแคล่วพิจารณาอะไรก็พอจิตไม่กังวลกับอะไรี่จิตมันอิ่มตัวจิตอยในสมาธิจิตมีความสงบเขาเรียกว่าจิตอิ่มตัวไม่ยิ้ม โอ้อะไรกับอารมณ์อะไรลูกเสียงกลิ่นลดเครสพติดไม่มายุ่งมีแต่ความสงบจิตเย็นใจอยู่ตลอดเวลาฮี่เวลาเราออกทางด้านปัญญาจะพิจารณาเนี่ยนายเนี่ยไหนมันเป็นหน้าที่การงานนี่นั่นจริงจิมันไม่ไปสนใจวอะไรตั้งหน้าตั้งตาทํางานนั้นจริงจิเพราะไม่หิวไม่โหยไม่มีอะไรมาแย่งมาชิงเอาจุดตรงนี้ไปด้วยความหลลิวฮะมันไม่มีนี่มันก็พิจารณาแล้วมันก็รู้แจ้งเห็นชัดโดยลําดับลำดับเอ๊ะข้อพลข้อพลขางทิ่จากนันนก้นมันก็คุ้งเลยอ่าแล้วปัญญา นี่เราคิาที่เรื่องสติปัญญาที่แี่มันเริ่มรู้กุศลอย่างนั้นแหละท่านต่อมาเรียนเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเพื่อความความมส่งเสร อ, อยู่เสมอไม่หยุดไม่หยุดไม่ละไม่ป่อยไม่วางเป็นอย่างนั้นจนมันกลายเป็นสติปัญญ า, าน้าําเป็นน้ําซ้ำน้ําึุนไปอดขึ้นไหลลินอยู่ทั้งแรงทั้งผลน้ำซ้ำน้ํำซึ่งแบบนีส้สติปัญญาอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเห็นคุณค่าของสติปัญญ า, าแล้วกับเห็นผล ของจิตปัญาที่ทํางานขึ้นมาและการแจ้งกิเลสตัดที่เลสนี่มันตัดด้วยปัญญาทั้งนั้นเนี่ยที่หนึ่งสมาที่เป็นเพียงว่ารวมตัวกิเลสเข้ามาอยู่ด้วยกันเข้ามารวมเข้ามาในวงแคบตรงนั้นแต่ไม่ไม่สามารถที่จะทำลายี่เลสได้มันรู้ได้ชัดขนดไหนเป็นปัญญาทีเดียวเป็นผู้ชนะหรือตัดที่เลสได้เป็นประเภทประเภทออกไปโดยลำดับผมไปตักับใจที่หนึ่งมันก็หมุนจิ๋วจิ๋วไม่มีทางวันกางคนคนเรื่องร่างการอนิจจังุกขังอัตตาอัตภาพทุกขังนี้มันเด่นมากสำหรับผมเป็นอันที่หนึ่งอัตภาพว กำหนดกาย้าของนี่มันเป็นอะไหนังไม่มีมีแต่เนื้อแดงโลออกจากนั้นกําหนดแต่นั้นมันก็ทังกันลงไปเหนี่ยวแต่ล่างกระดูกําหนดแต่ล่างกระโดดให้มันขาดแต่กันมันขาดไปโดยลําดับลาดาบกองอยู่ในดินทํามรวดเร็วของปัญญาจากนั้นมันยิ่งเร็วเราต้องเชื่อเรื่องกันสืบผลอบยมเนี่ย นานแต่มันคล่องตัวไปเหมือนเช่นงเขาผู้ขัดมวยเหมือนกันเป็นแชมป์เปี้ยนแชมเปิลมันไปจาก ร, ร, ร, การูกๆผค้ขานั่นแหละืมันคล่องตัวแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างนั้นนี่ก็เหมือ น, นกันสติปัญญาคล่องตัวแล้วที่เลือมันก็อ่อนกําลังลงไปอ่อนกาลังไปเวลาวเราคิดนานแล้วมันหมุนโลกไม่มีแล้วมันมีแต่ ง, งานของเราเท่านั้นไม่มีอะไรเข้ามาแทรกได้เลยคิดไม่ส่งไม่ทายไปไหนตั้งหน้าตั้งตาทํางานทําด้วยความสนใจทําด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจในสิ่งนั้นจริงๆ แล้วมันกับพ้นไปไม่ได้เมื่อจิตมันจดจ่อยมันก็เหมือนกัำลังมันไหลพุ่งลงทางเดียวมีกำลังมากจิตมีหน้าที่ที่จะรู้จะเห็นจะพิจารณาปัญดามีหน้าที่ที่จะพิจารณาจิตเป็นผู้รู้การเห็นตามปัญดาเป็นช่องเดียวช่องเดียวช่องเดียวมันขาดทะลุทะลุไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็ทะลุก็ได้มันละเอียดจริงๆก็คือเรื่องการมาลาค่าค่าว่าเป็นนินสัย ถูกเอาเผากินนี่ยังไงก็ต้องสําคัญตนพอไปถึงพันมันละเอียดพันมันมันนอนตัวมันมันหลบค่อนหลบซ่อนจริงจงตมามราคาแต่ก็อาศัยศสติปัญญาคุ้ยเสียขึ้นมาจนได้จนเห็นพัดแล้วฆ่าได้นมีอันหนึ่งมันเป็นเช่นลับแล้วพูดมากกว่านี้เดี๋ยวจะไปหมายคุณปฏิบัติพันละเอียดเข้าไปกตอนนั้นหนูก็คืออวิชชา อันนี้ก็เค็ดลับสำคัญอีกเหมือ น, นกันทำให้ติดได้อย่างง้อมไม่รู้ตัวเลยล่ะอวิช า, ายิ่งจอมด้วยสนิทจ อ, อมจะสร้างสติปัญญาที่เป็นอนมติให้นอนใจแต่มันไม่โ้นสติปัญญาอันนี้มันหมุนตัวตอเวลาเดี๋ยวก็มารู้แล้วก็มาสะดุดกันได้สะดุดแล้วก็หมุนติ่วเข้าไปในะตรงนั้นก็พังไปเลางกลายเลยนั่นแหละพี่มีอะไรหลือนั่นแหละเรียนโลกจบจ บ, จบตรงนั้นนะเลี้ยนสมมติมจก จ, จบตรงนั้นจบตรงอวิชา ท่านพลาลงไปจากใจไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆเว่้งว้ามันมีอะไรเป็นเครื่องหมายมีมิมิตอะไรเป็นเครื่องหมายทางละจิตใจเลยเพราะไม่มีสมมุติอย่างนี้หังรู้แท้นั่นอ่ะอันนี้เราเรียนจบเเรียนโลกจบจบตรงนี้เรียนธรรมจบจบตรงนี้โลกกับธรรมอยู่ด้วยกันเรียนโลกจบเรียนธรรมธรรมจโลกเป็นทัานไปจนระทั่งถึงอวิชชาที่ละเอียดที่สุดก็เป็นสมมติสมมติเขาเรียกเขาเรียกว่าโลกได้เหมือนกันเม่อเรีย มันเป็นสมุนั้นเรียกว่าโลกเท่นั้นแหละแยก้าไปแยกเข้าไปแยกเข้าไปเอาจนมัเข้าใจถึงที่แล้วหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมีเหลือแต่ความวิ้งว้างเป็นอิสระเสรีเอาดูอะไรดูได้เต็มหูเต็มตาฟังได้ทุกอย่างใครจะมาตําหนิว่าดีก็ตามชั่อก็ตามลูกจะเป็นลูกคี่ที่ที่เล่ลูกสวยลูกงามทั้งหลก็ตามดูได้หมดที่นี่นั่นแหละเรียกว่าอิสระอ หูตาเป็นอิสระเพราะใจเป็นอิสระหูตาเป็นเสียงทางเดินของใจเท่านั้นดูนั่นรูปเห็นรูปทเสียงสิ่นรถเครื่องทั้งผ่มันเป็นทางเดินของใจออกมาอิร่าไผ่ภายในนี่ออกไปสูยอิร่าไผ่นอกผู้เสียงสิ่นรดเครื่องทั้งผ่นเนี่ยกิจการล่อยวางหมดแล้วมันสมมตกับวิมุตส์มันไม่เข้ากันแล้วมันเป็นหยู่คนละภาคแล้วทำยังไงก็อย่างนั้นทาว่าคนละภาคนี่กับเปน พอเปรียบเทียบยกเป็นหมายยนะจิดนั้นเราจะพูดว่าทานงนั้นทางนี้ไม่ได้รู้เด่นมีอย่างนั้นแหละแต่แต่วาว่าเป็นลนาานักษณะใดยังพูดไม่ได้อันนั้นนั่นไ่าช่สมมุติสมมุติเราพอเสียอเพียงกันได้แม้แตนั้นถ้ากัยังบอกว่าจิตบริสุทธิ์เนี่ยก็เป็นสมมุติอันหงเหมือนกันถ้าไปเกี่ยวข้งอาางกับธรรมาติอันั้นนิทานบ้างวิสุทธิ์ที่จิตบ้างทางนี้จะชื่ไปให้ชื่อนั้มันนะนะรู้ว่าจริงไม่เป็นอย่างนั้น ในโลกวันนี้สมมติจะต้องทาคู่หมายท่าทางว่าให้เขา้าเข้าใจกันเพราะว่าเ <c oughs> มื่อรู้ตัวเองแล้วมันไม่มีปัญหาเราจะมีชื่อไม่มีชื่อไม่สนใ <c oughs> จเหมือนกับเรลักษณะอื่นกันที่ อ, อย่างนี้นจะมีลักษณะท่าทางยังไงคนอื่นอาหารคนอื่นมันเป็นลักษณะยังไงก็ไม่จําเป็นต้องถามใครที <c oughs> ่จะอธิบายอธิบายไม่ถูกทางคนต่างก็อื่นด้วยกันนะมันก็รู้เรื่องของกัวเองรู้เรื่องของตัวเองแล้วก็รู้เรื่องของอื่นแต่เข้าวบ้านเน่ย 啊，他们家这边你见他们了没？